ก็พูดปไปมันชินชาคำบางคำหากไม่ได้ฟังก็คงไม่ทำให้เสียใจคำบางคำ เธอไปว่ามันคงจะจริงคำบังคำหากไมระวังก็องต้องทำให้เจ็บช้ำใจไม่เข้าใจแค่หนึ่งคำคำนี้ก็เจ็บช้ำ ม, มาไม่รู้ตั้งเท่าไรคำเดียวที่ทําให้สูงใจแต่สุท้ายมันก็ทําให้เสียใจคํำเดียวที่ฉันไม่ค่อยอยากบอก สำคัญมากใช่ไหมคำบางคำหากไม่ได้รับได้รู้ก็ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจไม่เข้าใจแค่หนึ่งคำคำ ทำให้ซึ้งใจแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เสียใจคำเดียวที่ฉันไม่ค่อยอยากฟังไม่เข้าใจแค่เพียงคำคำนี้ก็เจ็บช้ำมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่คำเดียวที่ทำให้ซึ้งใจแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เสียใจ เที่ฉันไม่ไก็อยากวัง